ก็เป็นเหมือนกับการไปซื้อข้าวของต่างๆตามสถานที่ต่างๆซึ่งซื้อสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพเช่นไปซื้ออาหารไปซื้อเครื่องนุ่หงห่มไปซื้ อ, อยารักษาโรคไปซื้อที่อยู่อาศัยใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกาย ที่ต้องการอาหารต้องการยารักษาโรคต้องการเครื่องนุ่หงห่มต้องการที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกันการมาวัดจึงเป็นเหมือนกับการมาซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่หงห่มซื้อที่อยู่อาศัยและซื้อยารักษาโรคให้กับใจ ถ้าใจได้อาหารได้สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงของใจใจก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ว้าวุ่นขุ่นบัวไม่เดือดรอ้อนไม่หวาดกลัวไม่มีความทุกข์ความกังวลต่างๆดังนั้นพวกเราก็ต้องให้ความสำคัญของจิตใจ อย่างน้อยก็ต้องให้ความสำคัญเท่ากับร่างกายแต่ความจริงแล้วควรจะให้มากกว่าหลายเท่าด้วยกันเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญกว่าร่างกายหลายร้อยเท่าด้วยกันเพราะความสุขก็ดีหรือความทุกข์ก็ดีของใจนี้มีกำลังมีอิทธิพลเหนือกว่าความสุข ความทุกข์ของร่างกายหลายร้อยเท่าด้วยกันถึงแม้ว่าร่างกายจะอยู่ปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าใจไม่สุขใจมีความทุกข์ใจก็จะไม่มีความสุขกับความเป็นปกติสุขของร่างกายเลยส่วนในทางตรงกันข้ามถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าจิตใจมีความสุข ใจก็จะไม่เดือดร้อนไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเลยเพราะน้ําหนักของความสุขและความทุกข์ของร่างกายกของจิตใจนี้ต่างกันเหมือนกับฟ้ากับดินเหมือนถ้าเราให้น้ําหนักของร่างกายความสุขความทุกข์ของร่างกายเท่ากับหนึ่งความสุขความทุกข์ของใจนี้เท่ากับร้อยเท่ากับพัน เราคงจะเคยเห็นคนที่ร่างกายก็เป็นปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่จิตใจมีความทุกข์ทรมานจนไม่สามารถทนอยู่ต่อไปได้ถึงกับต้องทำรายตัวเองทำร้ายตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายนั่นก็เป็นเพราะว่าใจขาดบุญขาดกุศลหรือขาดปัดจจัยสี่ คืออาหารเครื่องนึ่งหงที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคของใจนั่นเองดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทยาหลงลืมการดูแลรักษาใจของเราอย่ามัวแต่ดูแลรักษาร่างกายของเราเพียงอย่างเดียวเพราะการดูแลรักษาร่างกายเพียงอย่างเดียวนี้ไม่พอเพียงที่จะให้เราอยู่ อย่างสงบอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเพราะความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ใจของเราเองดังนั้นเราต้องไปวัดบ่อยๆมาวัดบ่อยๆเพื่อที่เราจะได้มาซื้อสิ่งของเข้าของต่างๆที่จาเป็นต่อการทำให้ใจของเราอยู่อย่าง สมบร่มเย็นเป็นสุดการมาวัดเราก็จะได้มาซื้ออาหารคือการให้ทานนี้เองการให้ทานนี้เป็นการให้อาหารแก่ใจเพราะเมื่อเราได้ให้ทานแล้วใจของเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอและมีความภูมิใจนี่แหละคืออาหารของใจ คือการให้ยิ่งให้ได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความอิ่มเอิบใจยิ่งไม่อยากจะได้อะไรมากขึ้นไปเท่านั้นในทางตรงกันข้ามถ้าได้อะไรมามากเท่าไหร่ mm. ก็จะเกิดความหิวความอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกเท่านั้นนี่คือธรรมชาติของใจถ้าอยากจะอิ่มเราต้องให้ถ้าอยากจะหิวเราต้องเอาต้องอยาก ยิ่งอยากได้เท่าไหร่ก็ยิ่งอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนวันนี้เราได้มาร้อยบาทถ้าพรุ่งนี้เราไม่ได้ร้อยบาทเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจเราอย่างน้อยต้องได้ร้อยบาทหรือต้องได้มากกว่าร้อยบาทถึงจะมีความอิ่มใจพอใจแล้วถ้าวันต่อไปก็ต้องได้เพิ่มมากขึ้นไปอีก เคยได้สองก็อยากจะได้มากกว่านั้นหรืออย่างน้อยก็ต้องได้เท่าเดิมแต่ถ้าได้น้อยกว่าก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอรู้สึกว่าไม่อิ่มยังหิวอยู่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราให้ได้มากเท่าไหร่เราก็จะอยากได้น้อยลงไปเท่านั้นวันนี้เราให้ไปห้าร้อยไปพันห ตรงนี้เราจะไม่รู้สึกอะไรถ้าเราไม่ได้ห้ารหรือหรือพันหนึ่งเราจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะใจเราไม่หิวนั่นเองใจเราได้รับอาหารคือทานคือการให้นี้เองดังนั้นขอให้พวกเราพยายามให้มากๆให้โดยที่ไม่ได้หวังที่จะรับผลตอบแทนจากผู้รับ ให้เพื่อเป็นอาหารแก่ใจของเราถ้าให้โดยที่ไม่ได้หวังอะไรก็จะได้ความสุขมากขึ้นไปได้ความอิ่มมากขึ้นไปถ้าให้แล้วอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งตอบแทนเวลาไม่ได้ก็จะเกิดความเสียใจแล้วก็เกิดความโกรธแล้วก็อยากจะได้ใหม่ดังนั้น เวลาเราให้อะไรทำบุญนี้ขอให้เราทำความเข้าใจว่าเราไม่ต้องการอะไรเราต้องการอาหารใจคือบุญนี้เองเวลาเราให้แล้วเราก็จะมีความสุขใจมีความอิ่มใจนี่คือบุญคือสิ่งที่เราจะได้รับทันทีแต่เนื่องจากการให้นี้ก็มีผลตอบแทนในทางอ้อมอีก แต่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปตั้งเป้าเอาไว้เพราะอาจจะเกิดขึ้นช้าหน่อยหรือเร็วหน่อยไม่แน่นอนคือการให้ทานนี้ท่านก็บอกว่ามีอนิสงส์จะทำให้เราถ้าเราไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าก็จะทำให้เรามีเครื่องใช้ไม้ส้อยของจำเป็นต่างๆ ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่อดอยากขาดแคลนแล้วก็จะมีผิวพรรณผ่องใสรูมรนาาหน้าตาสวยงามแต่นี่เป็นผลพลอยได้ไม่ใช่เป็นผลหลักของการให้ทานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้สิ่งที่พระเจ้าสั่งสอนนั้นก็เพื่อให้เราสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจเรา นั่นเองถ้าเราให้ทานบ่อยๆใจของเราก็จะอิ่มจะพอแล้วเราก็จะปิดประตูของการที่จะไปเกิดเป็นเปรตได้เปรตนี้เกิดจากการที่ไม่ให้ทานไม่ชอบให้อยากจะได้อย่างเดียวแล้วเวลาอยากจะได้อะไรก็ไปหามาโดยผิดศีลผิดธรรมเช่นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปรักทรัพย์ ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงถ้าทำด้วยความโลภความอยากตายไปท่านก็ว่าจะต้องไปเกิดเป็นเปรตแต่คนที่ให้ทานอยู่เรื่อยๆนี้จะไม่ค่อยมีความอยากได้อะไรจากผู้อื่นเพราะตนเองมีเหลือเฟืออยู่แล้วนั่นเองแล้วก็ไม่หวงในสิ่งที่มีมีอะไรพอที่จะแบ่งปัน พอที่จะช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นได้ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเสมอดังนั้นในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะไม่ไปหามาด้วยการทำผิดศีลผิดธรรมเพราะจิตใจนั้นมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นที่เกิดจากการให้ทานอย่างสม่าเสมอ น, นี่เอง เวลาเราให้ข้าวของให้อะไรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเราให้เพราะอะไรเพราะเรามีความเมตตากรุณานี้เอเรามีความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นได้รับความสุขบ้างหรือเรามีความสงสารอยากจะช่วยให้ผู้อื่นเขาพ้นจากความทุกข์ยากลําบากเมื่อจิตใจเป็นอย่างนี้แล้วการที่จะไป หาอะไรด้วยการทําผิดศีลธรรมก็จะเป็นไปได้ยากเพราะจะไม่อยากจะทําถ้าอยากจะได้อะไรก็จะหามาโดยไม่ผิดศีลผิดธรรมคือจะไม่ไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่จําเป็น เช่นพวกเราทุกคนก็ยังต้องมีการหากินอยู่เพราะร่างกายของเรานี้ต้องมีอาหารอยู่ตลอดเวลาต้องมีที่อยู่อาศัยต้องมียารักษาโรคต้องมีเครื่องนุ่งหม่มแต่เนื่องจากพวกเราชอบมาวัดชอบมาทําบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆใจของเราจึงมีความสุขใจมีความอิ่มใจ ถึงแม้ว่าจะอดอยากขาดแคลนบ้างในบางเวลาแต่ความอดอยากขาดแคลนของทางร่างกายนี้จะไม่มีน้ำหนักที่จะไปลบล้างความสุขความออ่มเอิบใจที่เกิดจากการให้ทานของเราเลยจึงทำให้เรานี้ไม่ต้องไปทาบาปทากรรมกันคนที่มักจะไปทาบาปทากรรมกันนี้ ก็พอใจมีความหิวมีความอยากมากเพราะไม่ได้ทาบุญให้ทานนั่นเองเหมือนกับไม่ได้รับประทานอาหารก็จะมีความหิวพอมีความหิวก็จะต้องไปหาสิ่งที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความพอใจความอิ่มใจก็จะหาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องถ้าไม่สามารถหา มาได้ด้วยวิธีสุดจริตเช่นไม่มีงานทำหรือมีงานทำแต่มีรายได้น้อยไม่พอเพียงกับความอยากความอยากนี้บางทีมันมากกว่าความจำเป็นความจริงความจำเป็นนี้ไม่มากเช่นอาหารมื้อหนึ่งถ้าเรารับประทานต่างๆความจำเป็นก็ราคาไม่แพงข้าวถุงกับข้าวถุงหนึ่งก็กินได้แล้ว อยู่ได้แล้วแต่ถ้ามีความอยากคือเห็นคนอื่นเขาไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารหรูๆตามโรงแรมก็อยากจะไปรับประทานแบบนั้นมากแต่เนื่องจากตนเองไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะไปรับประทานอาหารอย่างนั้นได้แต่อยากจะรับประทาน <c oughs> ก็ต้องไปหาทรัพย์มาโดยวิธีมิชอบไปโกง บ, บ้าง <c oughs> ไปลักมาบ้างเป็นต้น นี่เนื่องจากว่าไม่ชอบทาบุญให้ทานนั่นเองจึงทำให้ใจนี้เป็นเปรตทั้งในขณะที่ยังไม่ตายไปมีความหิวมีความอยากมีความต้องการอยู่เรื่อยๆและจะมีความรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มาทาบุญให้ทานกันถ้าทาบุญให้ทานแล้วจิตใจจะมีความอิ่มเอิบมีความพอ จะไม่ค่อยหิวจะไม่ค่อยโลภเท่าไหร่นี่คืออนิสงส์เลือกเหตุผลของการที่เราต้องทำบุญให้ทานกันทำเพื่อเป็นการให้อาหารแก่ใจของเราส่วนการรักษาศีลนี้ก็เป็นการหาเสื้อผ้าอภารรมมาสวมใส่ให้แก่ใจของเรานั่นเองคนเราจะสวยจะงามนี้ ไม่ได้สวยงามที่เสื้อผ้าผ่อนทางร่างกายไม่ได้สวยงามที่รูปร่างหน้าตาของร่างกายแต่สวยงามที่จิตใจเวลาเราคบคนนี้ถ้าเราให้เลือกคบกับคนที่ร่างกายสวยงามแต่ใจไม่สวยงามกับคนที่ร่างกายไม่สวยงามแต่ใจสวยงามเราจะคบกับใคร ถ้าเราครบกับคนที่มีจิตใจที่ไม่สวยงามถึงแม้ร่างกายจะสวยงามเขาจะต้องทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจอย่างแน่นอนเพราะคนที่ไม่มีจิตใจที่สวยงามก็จะไม่ให้ใหความสําคัญต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นจะให้ความสําคัญต่อความต้องการความอยากของตนเท่านั้นอย่างนั้นก็จะต้อง ทำอะไรที่จะทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยจะต้องเสียใจเช่นจะต้องไปประพฤติผิดประเวณีแล้วก็มาโกหกหลอกลวงอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเรื่องของคนที่มีร่างกายที่สวยงามแต่จิตใจไม่สวยงามใจจะเป็นคนใจคดเป็นใจโกงไม่ใช่เป็นใจที่ซื่อสัตย์สุดเจริญ อยู่ด้วยกันก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำร้ายเราได้เมื่อไหร่เวลาที่เขาเกิดอารมณ์โกรธแค้นโกรธเครืองขึ้นมาเขาก็อาจจะฆ่าเราได้เพราะเขามีใจที่ไม่สวยงามนั่นเองในทางตรงกันข้ามคนที่มีใจที่สวยงามจะเป็นคนที่คํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นเวลาจะทําอะไรจะไม่อยากทําให้ผู้อื่น เขาเดือดร้อนมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจจะไม่ชอบทําผิดศีลผิดธรรมนี่คือความสวยงามของใจคือการมีศีลห้านี่เองผู้ใดมีศีลห้าผู้นั้นจะเป็นที่รักเคารพชื่นชมยินดีของผู้อื่นยิ่งถ้ามีศีลมากขึ้นไปเท่าไหร่ยิ่งจะเป็นที่เคารพนับถือเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้น เช่นพระภิกษุนี้พอมาบวชยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยเพียงแต่โกนศีรษะผมผ้าเหลืองพอออกมาจากบวชก็ได้รับการเคารพกราบว่าจากผู้ที่สูงกว่าเช่นบิดามารดาแล้วเพราะเชื่อหรือมีศรัทธาว่าเป็นผู้ที่มีความสวยงามทางจิตใจนั่นเองคือเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีล ความสงบเรียบร้อยทางกายทางวาจาการกระทาจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนจะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นพวกเราที่กราบไหว้พระสงฆ์องค์เจ้ากันก็เพราะว่าท่านมีศีลนั่นเองไม่ใช่เพราะว่าท่านห่มผ้าเหลืองหรือโกนศีรษะถ้าเรารู้ว่าพระที่นุ่งเหลืองโกนศีรษะ แต่มีความทุสีเราก็จะไม่อยากกราบว่าเราไม่ได้กราบที่ผ้าเหลืองเราไม่ได้กรา บ, ราบที่สีษะที่ไม่มีผมแต่เรากราบที่การมีสินการประพฤติดีปฏิบัตินีนี่เองนี่แหละคือความสวยงามของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสวยงาม ขอให้เรารักษาศีลกันให้บริสุทธิ์รักษาศีลกันให้มากแล้วเราจะเป็นที่รักที่ชื่นชมยินดีที่เคารพนับถือของผู้อื่นนี่คือเรื่องของเสื้อผ้าอภารณ์ของใจส่วนที่อยู่อาศัยที่หลบแดดหลบฝนที่หลบภัยต่างๆของใจก็คือสมาธิ การทำใจให้สงบนั่นเองเวลาใจสงบแล้วแม้จะมีเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นมาใจก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเหมือนกับกายร่างกายเวลาอยู่ในบ้านเวลามีฝนตกภายนอกมีพายุอยู่ภายนอกอยู่ในบ้านจะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะมีบ้านไว้คอยคุ้มครองป้องกัน ไม่ให้ฝนไม่ให้พายุเข้ามาก่อความเดือดร้อนให้แก่ร่างกายนั่นเองฉันใดถ้าเราทำใจของเราให้สงบได้เวลามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นภายนอกมีคนด่าเรามีคนให้ร้ายทาร้ายเรามีคนมากันแกล้งเรามีคนมาทํร้ายทรัพย์สินเรามีคนมาภาคของรักของชอบ ของเราไปเราจะรู้สึกเฉยๆถ้าเราทำใจให้สงบนิ่งได้ถ้าเราทำใจให้เข้าสมาธิได้เพราะเวลาเข้าไปในสมาธิแล้วใจก็จะไม่รับรู้เรื่องอะไรเรื่องไรต่างๆนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของใจเลยเรื่องของร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของใจเรื่องของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบริษัทบริวาร สามีภรรยาบุตรทีดาก็ไม่ได้เป็นเรื่องของใจเลยเพียงแต่ใจหลงไปยึดติดว่าเป็นของของตนเท่านั้นเองพอมีความหลงไปยึดติดว่าเป็นของตนแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับสิ่งที่ตนของกับสิ่งที่ตนรับก็จะเกิดความว่าวุ่นเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันที ทำไมเวลาเกิดเหตุการณ์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของคนอื่นกับลูกของคนอื่นกับสามีภรรยาของคนอื่นทําไมเราไม่เดือดร้อนวุ่นวายนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ไปหลงคิดว่าเป็นของเรานั่นเองเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราเราจึงไม่เดือดร้อนแต่ร่างกายของเราร่างกายของสามีภรรยาบุดทธ่ดา สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆของเหล่านี้เราไปหลงว่าเป็นของเราทั้งๆที่ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นของเราเพราะอะไรเพราะเราคือใจเราไม่ใช่ร่างกายเวลาใจมาเกิดในโลกนี้ใจก็มาตัวเปล่าๆไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาไม่ได้เอาสามีมาไม่ได้เอาภรรยามาไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมา แล้วเวลาไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปดังนั้นจะมีอะไรที่เป็นของใจล่างไม่มีหรอกไม่มีเลยใจไปหลงเองท่านั้นเองไปหลงไปคิดว่าเป็นของใจไปคิดว่าร่างกายเป็นของใจไปคิดว่าสามีภรรยาบุตรธิดาเป็นของใจไปคิดว่าทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองต่างๆเป็นของใจใจก็เลยต้องมีแต่ความ ทุกทรมานใจเวลาที่เกิดการสูญเสียสิ่งที่ตนหลงไปคิดว่าเป็นของตนไปแต่พอทำใจให้สงบได้เช่นเวลาประสบกับเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบขอให้เราภาวนาเจริญบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปรับรู้กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นเช่นคนกำลังด่าเราอย่างนี้อย่าไปฟัง เรากลับมาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจหรือไปหลบอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วพยายามบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอย่าไปคิดถึงคาที่เขาด่าเราอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เขาพูดที่เขาทำพอใจเราอยู่กับพุโทโธไปได้สักระยะหนึ่งแล้วใจก็จะลืมเรื่องที่เขาพูดเรื่องที่เขาทำใจก็จะไม่เดือดร้อนวุ่นวายนี่คือการ มีสมาธิเป็นที่พึ่งอาศัยของใจเวลามีฝนตกดาดออกมีพายุคือเวลามีวิกฤตต่างๆเราก็มีที่หลบเราก็ไปหามุมสงบที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ทำใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธก็ได้ด้วยการสวดมนต์ไปก็ได้หรือด้วยการนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออก อย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจพอใจเราลืมแล้วความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปทั้งๆที่เหตุการณ์ต่างๆนั้นก็ยังไม่ได้หายไปแต่อย่างน้อยเราก็มีที่หลบเช่นเวลาฝนตกมีพายุเราก็อยู่ในบ้านถึงแม้ว่าฝนพายุยังไม่หยุด เราก็ยังไม่เดือดร้อนเราก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยรอจนกว่าฝนหรือพายุนั้นหยุดแล้วเราค่อยออกไปข้างนอกเราก็รอให้เหตุการณ์ข้างนอกสงบก่อนแล้วเราค่อยกลับออกไปแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าถ้ายังมีปัญหาอยู่สิ่งที่เราต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือยารักษาโรคใจ ยารักษาโรคใจนี้ก็คือปัญญาปัญญานี้จะดีกว่าสมาธิตรงที่ว่าไม่ต้องหลบเข้าไปในบ้านไม่ต้องหลบเข้าไปในสมาธิเราสามารถใช้ปัญญาตัดปัญหาต่างๆดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจได้ในขณะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้เลยถ้าเรารู้จากคิดให้ถูกคิดไปตามความเป็นจริง อะไรเราที่เป็นความจริงบ้างก็มีอยู่สามประการด้วยกันคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ม, มีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรานะเรามาตัวเปล่ า, ลาแล้วเราก็จะไปตัวเปล่ า, ลาดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ตั้งแต่ร่างกายนี้ออกไป ไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราถ้าเราไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆเราก็จะทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดแล้วปล่อยวางเราก็จะไม่ทรมานใจเช่นร่างกายของเราจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปแต่เจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะไม่หายก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปร่างกายจะตาย ถ้าป้องกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปคนจะด่าเราคนจะทำร้ายเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราห้ามขาไม่ได้หลบหนีไปไม่ได้ก็ต้องทำใจปล่อยให้เขาทำไปแต่ใจของเราจะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนจะไม่หวาดกลัวเพราะเรามียารักษาโรคใจนี้เอง โรคใจคืออะไรก็คือความกลัวความมิตกกังวลกังวลความห่วงใยความเศร้าโศกเสียใจนี่คือโรคของใจแต่ถ้าเรามีปัญญาคือธรรมโอสถสอนใจให้ปลงให้ปล่อยให้วางได้ใจจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องอะไรเลยจะไม่ทุกข์จะไม่มีโรคทางใจเพราะมียารักษาโรคใจนี้เองคือปัญญา คือมีความรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดเราต้องไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะมีโรคใจนี่แหละคือปัจจัยหรือยารักษาโรคของจิตใจเป็นจัดเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในบรรดาปัจจัยสี่ของใจ คือทานศีล ส, สมาธิปัญญานี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดถ้ามีปัญญาแล้วจะไม่เป็นปัญหาจะอดอยากขาดแคลนก็ไม่เป็นปัญหาจะไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่หลบภัยก็ไม่เป็นปัญหาเพราะใจสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไม่สะทกสะท้านอย่างไม่หวั่นไหวอย่างใจของพระพุทธเจ้ากับพระสาวก นั้นไม่หวั่นไหวต่อความแก่ต่อความเจ็บต่อความตายต่อภัยอันตรายต่างๆที่จะมาทำร้ายท่านจะไม่มีความหวั่นไหวเลยท่านสามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้ทุกหนทุกแห่งทุกเวลาไม่มีความกังวลไม่มีความวิตกไม่มีความเดือดร้อนนี่คือปัจจัยของใจปัจจัยสี่ของใจ คืออาหารเริ่มนุ่มหอมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคที่พวกเราควรที่จะสแสวงหามาให้แก่ใจเพราะถ้าใจเราได้ปัจจัยทั้งสี่นี้ครบบริบูรณ์แล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราได้เลยดังนั้นจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลาย ได้นำเอาเรื่องของการมาวัดเพื่อมาซื้อสิ่งที่จำเป็นแก่จิตใจนี้ไปให้ท่านได้ไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ความสุขและความไม่มีทุกข์ความกังวลใจต่างๆที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศเรวัตนะใย และบุญกุศลที่ท่านได้มาบังเพลิกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขแลกความเจริญแค็งแกรางปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ